เรื่องราวที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่นำมาจากประสบการณ์จริงของผู้ที่ตั้งกระทู้ในเว็บพันทิปนะคะเรื่องราวมีอยู่นะคะว่าครอบครัวของผู้เล่าเนี่ยได้ไปเที่ยวที่ทะเลในจังหวัดหนึ่ง ไปกันทั้งหมดก็6คนค่ะมีเจ้าของกระทู้มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องมิวแล้วก็พ่อแม่ของน้องมิวนะคะที่พักเนี่ยก็จะได้เป็นที่พักแบบบ้านหลังใหญ่2ชั้น4ี่ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะ ห้องนอนมีแอร์ติดทุกห้องค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่หลังบ้านเวลาเล่นน้ำก็จะเห็นทะเลเห็นพระอาทิตย์ตกด้วยคือทุกอย่างมันดีกว่าที่คิดไวส้สิอีกนะคะชอบตรงสระว่ายน้านี่แหละค่ะภายในบ้านก็คือสะอาดมากของทุกอย่างวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คิดว่ า, าที่พักตรงนี้เนี่ยคงจะไม่ค่อยมีคนพักเยอะไม่ค่อยจะอแออัดยัดเยียดเหมือนที่พั ก, กอื่นๆทั่วไปนะคะ แต่ก็จะน่าแปลกตรงที่ว่าตอนที่คนเอากุญแจบ้านมาให้เขากำชับไว้บอกว่ า, ามีห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งชั้นล่างใกล้ๆกันกับห้องน้ำนี่ห้ามใช้นะห้ามเปิดนอนไม่ได้เจ้าของเขาให้ป้ามาบอกทุกคนทีแรกก็งงและว่าเอ๊ะทาไมถึงนอนไม่ได้แต่ว่าพอเขาบอกกออ็คงจะเป็นห้องเก็บของละมัง้งก็เลยไม่ได้สนใจอะไร คืนนั้นเจ้าของกระทูก็บอกก็จัดปาร์ตี้สังสรรค์กันเล็กน้อยที่ริมทะเลตอนกลางวันก็ว่าคนเยอะแล้วนะคะกลางคืนนี่คนเยอะหน่อยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติคือเปิดเพลงแดนซ์กันริมทะเลค่ะคุณแม่กับน้องอกับแม่ของน้องมิวก็เป็นแผนกปิ้งย่างกันไปส่วนเจ้าของกระทูกับน้องมิวนีะคะกะ็แล้วกเ็เป็นคุณพ่อนะคะก็เป็นแผน ก, กิ น, นะคะ่ะเรียกว่าเป็นแผนกทาลายล้างนะคะคืนนั้นคือ อากาศไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเย็นจนเกินไปแต่ก็รู้สึกเย็นสบายเนาะเพราะว่ามีลมพัดเฉยๆนะคะแทบจะเคลิ้มหลับเลยก็ว่าได้แต่ว่าหลับไม่ลงเพราะว่าเสียงเพลงดังเกินแต่ว่าที่นี่นะคะดีหนึง่งนิดนึงคือเขาไม่มีเหล้าเบียร์จาหน่ายเพราะว่าส่งเสริมภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวก็เลยหายห่วงได้ในระดับหนึ่งนะคะที่กลัวว่าจะมีคนเมาแล้วก็ทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะ แต่ว่าเหตุการณ์ไม่ดีก็ได้เกิดขึ้นค่ะตอนรับวันแรกของการเที่ยวเลยก็ว่าได้มีเด็กฝรั่งคนหนึ่งอายุประมาณ 5-6 ขวบไว้กำลังซนค่ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยคือน้ำทะเลมันขึ้นไงขึ้นก็แรงกว่าตอนกลางวันด้วยเด็กผู้ชายคานนั้นนก็ซนนะคะก็เดิน อเอาเท้าแตะทรายไปเรื่อยๆพ่อแม่ก็มีดุบ้างก็เตะทรายเล่นอยู่เหมือนเดิมแต่พอดุเสร็จก็หันกลับไปกินต่อเป็นการเรลี้ยงลูกแบบฝรั่งก็คือจะปล่อยให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เองปล่อยให้เขาไปไหนมาไหนเองล้มก็ลุกเองประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้พ่อแม่ของเด็กในคืนนั้นไม่ได้สนใจลูกมากมายนะักแล้วก็เห็นว่าเออเด็กคนนั้นเดินเล่นน้ําอยู่นะยังคุยกับมิวเลยว่าเด็กคนนี้มันน่ารักจริงเป็นเด็กผู้ชายผมสีทองใส่เสื้อกล้ามสีเทากางเกงขาสั้น ดค่ะพอระละสายตาจากเด็กคนนั้นประมาณ10นาทีก็หันมากินกุ้งต่อก็ได้ยินเสียงโวยวายของฝรั่งกลุ่มหนึ่งผู้หญิงก็กรีดผู้ชายก็โวยเสียงดังลั่นหาดนะคะมีคนไทยหลายคนเข้าไปมุงค่ะรวมทั้งพ่อแล้วก็แม่ของน้องมิวด้วยแล้วก็มีผู้ชายคนไทยคนหนึ่งตะโกนบอกเฮ้ยเด็กหายจมน้ำหรือเปล่าช่วยด้วยเด็กจมน้าสักพักหนึ่งก็มีผู้รักษาความปลอดภัยค่ะวิ่งเข้ามาหลายคนเราก็ตกใจไปด้วย พ่อแม่เด็กก็เอาแต่ร้องไห้พูดไทยก็ไม่ได้ถามก็ตอบไม่รู้เรื่องจนมีฝรั่งที่พูดไทยได้คนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเห็นเด็กใส่เสื้อสีนี้กางเกงสีนี้นั่งอยู่ตรงนั้นหันไปปุ๊บพอหันกลับมาอีกรอบคือหายไปแล้ว ทุกคนก็เลยสันนิษฐานนะฮะว่าเด็กน่าจะจมน้ำค่ะเพราะว่าเด็กตัวแค่นี้คลื่นซัดทีเดียวก็คงจะหายไปขนาดคนตัวใหญ่ๆโดนคลื่นซัดก็ยังเซเลยนะคะหน่วยกู้ภัยแล้วก็ผู้ดูแลนักท่องเที่ยวค่ะก็เริ่มที่จะแต่งตัวใส่ชุดดำน้ำขี่เจ็ตสกีออกไปทีละคนแต่ว่ามันมืดแล้วมันก็เลยทาให้การค้นหานั้นค่อนข้างที่จะยากลบาบาก ก็คือเริ่มตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนก็ยังหาไม่เจอนะคะผู้คนที่ว่าหลับไปบ้างแล้วในบ้านพักก็ตื่นขึ้นมาดูกันเกือบล้นหาดจนมีป้าแก่คนหนึ่ง แกได้วิ่งไปซื้อทูปที่ร้านคาใกล้ๆแล้วก็เอาไปไหว้ปากไว้ใกล้ๆจุดเด็กหายสักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังประมาณตีหนึ่งกว่าก็เจอร่า ง, งเด็กน้อยคนนี้ไปติดที่ตาข่ายก้านไว้กลางทะเลที่ก้านไว้ว่าเป็นเขตอันตรายค่ะเรือใหญ่ก็ไปรับร่างเด็กขึ้นมาบนฝั่งซึ่งตอนนั้นนี่เราก็ไม่ได้เห็นอะไรนะเพราะว่าแม่ไม่ให้ดู แต่ว่าแม่ก็ไม่ได้พาเข้าบ้านนะคะเพียงแต่ว่าไม่ให้เราไปมุงดูแต่เราก็รู้ค่ะว่าเขาทําอะไรกันบ้างสุดท้ายก็ยื้อไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่จมลงไปแล้วเด็กตัวแค่นี้เนาะแถมจมน้ําไปตั้งหลายชั่วโมงกว่าพ่อแม่จะรู้ใจเราแทบจะหล่นลงไปถึงตาตุ่มนะคะมันวิวยังไงบอกไม่ถูกเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ยังเห็นน้องนี่นั่งเล่นที่ทรายก็ยังชมว่าน้องน่ารักแล้วก็ยังยิ้มให้น้องอยู่เลย หลังจากนั้นแม่ก็พาเรากลับเข้าบ้านนะคะก็เหลือแต่พ่อเรากับพ่อของน้องมิวค่ะยังอยู่ที่นั่นคืนนั้นเราก็หลับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรานอนห้องเดียวกันกับน้องมิวค่ะแต่ว่าคุณแม่นอนกับคุณพ่อแล้วก็พ่อแม่ของมิวเนี่ยนอนด้วยกันส่วนอีกห้องหนึ่งว่างนะคะ พอเช้าวันต่อมาค่ะเราก็มีแพลนจะไปเที่ยวกันที่อื่นก็เอารถส่วนตัวมาเองจะไปไหนก็ได้สะดวกสบายแต่ก็ยังเช่าที่พักที่เดิมนะคะตื่นมาเราก็เดินไปหลังบ้านก็เปิดประตูบ้านเอาขาเนี่ยลงไปแช่ในสายน้ํารอคนอื่นแต่งตัวมองไปที่ทะเลนะคะก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนก็ใจหายแต่ว่าในขณะที่กําลังคิดอะไรเรื้อเปลื่อยค่ะ เสียงหนึ่งกด็ดังขึ้นเป็นเสียงเหมือนคนเอาอะไรโยนลงไปในสระน้ำเราก็มองหาคนว่าเป็นใครเอาอะไรมาโยนแต่ก็มองไม่เห็นใครนะคะก็เลยมองไปที่ก้นสระก็เห็นว่าเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆนะคะแสดงว่ามีคนเควื่ยงมาจริงๆแต่ก็หาตัวไม่เจอก็ไม่ได้คิดอะไรต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อเรียกแล้วนะคะสรุปว่าวันนี้เราไปเที่ยวกันหลายที่มากสนุกจนลืมเรื่องเศร้าของเมื่อคืนไปเลย พอกลับมาตอนเย็นก็ปกติค่ะแม่ก็กำลังทำกับข้าวเราก็รู้สึกหนาวก็เลยขึ้นไปนั่งตรงขอบสระนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็เล่นน้ำกันอยู่ นะคะกับน้องมิวจนถึงทุ่มหนึ่งก็ยังไม่เลิกแม่ก็เลยเรียกไปกินข้าวนะคะทีนี้ก็เลยลุกขึ้นมานั่งที่ขอบสาเอาขาไปจุ่มลงเช่นเดิมแล้วก็มองไปทั่วก็เพิ่งรู้นะคะว่าทะเลตอนกลางคืนเนี่ยมันสวยมากเลยเนาะวันนี้คนเงียบสงบค่ะนั่งฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งฟังแล้วก็เคลิ้มจะหลับแต่ว่าสายตาเราก็ไปสะดุดอะไรบางอย่างที่กาลังเคลื่อนไหวยอยู่ริมทะเล มันคือเด็กค่ะคุณผู้ฟังเด็กกำลังวิ่งเล่นที่ริมทะเลคนเดียวมืดมืดเอ๊พ่อแม่น้องไปไหนทำไมปล่อยให้เด็กมาเล่นคนเดียวที่นี่เดี๋ยวก็จมน้ำเหมือนน้องน้องคนนั้นเราตะโกนสุดเสียงค่ะอิมิวเน่กำลังเล่นน้ำอยู่ใกล้ใกล้มันตกใจค่ะก็เลยถามเป็นไรเจ๊ตกใจหมดเราก็เลยไม่แน่ใจว่าก็เลยตอบไปบอกว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า ก็เลยไม่ได้ตอบอะไรไปนะคะแต่ก็เพ่งมองเด็กคนนั้นต่อค่ะทั้งชุดเอ้ยเสื้อผ้าสีผมคือทุกอย่างมันเหมือนกับเด็กคนนั้นหมดคือจําได้แม่นแล้วก็เหมือนน้องคนนั้นจะรู้นางหยุดวิ่งแล้วก็ค่อยๆหันมาหาเราช้าชานะคะแสงไฟกระทบให้เห็นใบหน้าของน้องมันคือน้องคนที่จมน้ําตายเมื่อวานจริงๆด้วยเราช็อกพูดอะไรไม่ออกไม่รับรู้ว่าใครจะเรียกอะไรหรือเปล่ารู้แต่ว่าน้องเนี่ยยิ้มให้เราแล้วก็กวักมือเรียกให้เราไปหา เด็กคนนั้นกวักมือเรียกให้เราไปหาถามว่าเราไปไหมไปค่ะลุกพรวดพลาดเลยไม่ได้เดินช้าๆเหมือนในหนังที่โดนผีสะกดจิตนะแต่ว่าเราเนี่ยรีบเดินจ้ำอ้าวเลยล่ะหูเราได้ยินเสียงมิวมันตะโกนเรียกนะแต่เราหยุดเดินไม่ได้ใจหนึ่งก็อยากหยุดอีกใจหนึ่งก็อยากเดินจนรู้สึก ตัวตอนพ่อมาจับไหล่เขย่าแรงๆนี่แหละเรามองหน้าพ่อแบบงงๆแล้วก็ปล่อยโหออกมาเลยพ่อจะพาเข้าไปในบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะเดินเข้าบ้านแล้วก็หันไปมองก็ยังเห็นน้องคนนั้นยืนอยู่แต่นางไม่ยิ้มนะคะพอตอนนอนแม่ก็ให้ไปนอนด้วยสรุปคือเรานอนกับพ่อแม่ที่ชั้นล่างส่วนมิวเนี่ยนอนกับพ่อแม่ที่ชั้นบนนะคะ คืนนั้นเราได้ยินเสียงเหมือนคนเควี่ยงสายทั้งคืนแบบกำใส่มือแล้วสร์ใส่กระจกอะค่มั่นใจเลยว่าหูไม่ฝาดจนต้องเอามืออุดหูกันเลยทีเดียวแล้วก็คิดในใจว่าเอ๊ะทําไมต้องเป็นกูที่เห็นน้องเนี่ยทําไมต้องแกล้งกูด้วยทําไมต้องกูอะไรประมาณนี้คือก็ยังสงสัยนะคะว่าทําไมต้องมาหลอกเราทั้งที่คนอื่นก็มีเยอะแยะทําไมไม่ไปหลอก เ, เจ้าของกระทูบอกลืมไปคือเราเนี่ยมีอะไรไม่เหมือนคนอื่นนี่ว่าแต่มันก็ไม่ยุติธรรมอยู่ดีแต่คิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่งตายเมื่อวานวันนี้เหี้ยนเลยมาเร็วเคลมเร็วมากๆเลยนะคะทีนี้มีอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะคะจำได้ไหมคะตอนแรกที่ป้าแม่บ้านบอกว่ามีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องนอนเนี่ยคืออย่าเปิดนะห้องนี้เนี่ยน ะ, ะที่เล่าไปตั้งแต่ตอนต้นแล้ว เช้าวันสุดท้ายของการเที่ยวค่ะก็กำลังแต่งตัวไปเที่ยวข้างนอกกันอีกขณะที่กำลังเข้าห้องน้ําก็สังเกตเห็นว่าห้องที่ป้าคนนั้นบอกว่าห้ามเปิดมันไม่ได้ล็อกแต่ว่าเขียนกระดาษคิดอาติดไว้นะคะว่าชํารุดก็เลยแอบเปิดแง้มดูก็เห็นว่ามีพวกโต๊ะเตียงไม้กวาดกระเบงถังน้ําวางอยู่ในนั้นเต็มเอียดเลยนะคะแถมฝุ่นจับเป็นนิ้วหนาเตอะแทบจะหายใจไม่ออกพร้อมกับกลิ่นเหม็นนะคะก็เลยต้องเอามือปิดจมูกไว้ มันเป็นห้องเก็บของอย่างที่คุณพ่อบอกจริงๆก็เลยไม่ได้คิดอะไรค่ะคิดแค่ว่าห้องเก็บของของมันเยอะจนล้นประตูก็เลยปิดไม่อยู่ประตูก็เลยพังแค่นั้นเองนะคะจนตอนเย็นค่ะพวกเราก็ กลับมาจากการเที่ยวก็คือเพลียมากอยากนอนง่วงนอนก็เลยขอแม่ไปนอนในห้องยังไม่ได้อาบน้ำนะฮะตอนนั้นไปถึงห้องก็ล้มตัวลงนอนเลยด้วยความเพลียแล้วก็ฝันไปค่ะฝันว่าเราเนี่ยไปอยู่ที่ห้องเก็บของชั้นล่างคือเหมือนเดินงงๆแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในห้องในฝันคือเราเดินไปกับใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งมันดูไม่ออกว่าเป็นว่าเป็นใครนะคะรู้แต่ว่าเราจับมือกันเดินเข้าไป พอเข้าไปก็เจอผู้หญิงคนนึงนั่งหันหลังให้อยู่ตรงเตียงค่ะเราก็เรียกเ้าบอกพี่คะพี่คะผู้หญิงคนนั้นก็หันมาเหมือนคนปกติยืนขึ้นแล้วก็ยิ้มให้เราก็ยิ้มตอบแต่ว่ายังไม่ทันจะหุบยิ้มผู้หญิงคนนั้นก็หน้าเปลี่ยนจากหน้าตาขาวสวยกลายเป็นหน้าเละมีเลือดมีหนองไหลยเยิ้มหยดลงพื้นแล้วเขาก็ตะคอกใส่เราบอกอยากเห็นกูใช่ไหมอยากเห็นกูดูแล้วเขาก็หัวเราะใส่แต่ว่าไม่ได้หัวเราะดังหัวเราะแบบ เบาๆฮึ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะในความฝันเนี่ยคือจะวิ่งหนีแต่วิ่งไม่ออกค่ะวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่พ้นเขาสักทีทั้งเหนื่อยทั้งหอบจนในที่สุดนะคะเราก็รู้สึกว่ามีคนมาเขย่าแขนเราก็สะดุ้งตื่นเรานอนอยู่ในห้องนอนเหมือนเดิมท่านอนคือนอนตะแคงหันหน้าไปทางประตูเรามองไปรอบทิศทางก็ไม่เห็นมีใคร ก็มีเสียงฮือในลําคอนะคะเสียงเหมือนคนค้างเสียงเหมือนดังมาจากข้างหลังแล้วก็ค่อยๆหันไปสิ่งที่เห็นคือผู้หญิงคนเดิมค่ะนอนตะแคงหันหน้ามาหาเราแล้วก็ยิ้มใส่แบบปากฉีกแทบจะถึงหูเลยนะคะก็ตามองเราเหมือนโกรธอะไรบางอย่างถึงเธอจะไม่มีตาดําก็รู้ได้เลยนะคะว่าแค่นั้นแหละคะ่ะเราในกรีดลั่นห้องกรีดใส่เธอด้วยซ้ําเสียงปิดประตูดังตึ้งนะคะเข้ามาพร้อมกับหน้าเธอค่อยๆหายไป คนที่เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ปิดประตูนี่เนี่ยไม่มีใครนยคะก็คือคุณแม่นั่นเองตัวสันค่ะรีบกอดคุณแม่เลยเพราะความกลัวนี่แทบจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นผีเต็มตา เราไม่พูดอะไรเพราะพูดไม่รู้เรื่องเอาแต่ร้องไห้แม่ก็เลยพาลงไปข้างล่างพอได้สตินะคะก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ก็ตกใจแล้วก็ดุเราว่าโนมือบอลเขาก็กำชับนะคะว่าห้ามขนาดนั้นก็ยังไปเปิดเล่นอีกเราก็เลยร้องไห้ไม่หยุดค่ะจนคืนนั้นเนี่ยคุณพ่อต้องให้เราไปนอนในรถกับพ่อเพราะว่าเราไม่กล้าเข้าไปนอนในบ้านหลังนั้นแล้วจนกระทั่งตอนเช้านะคะป้าคนเดิมก็ ขี่รถมาเอากุญแจนะคะแม่ก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับป้าคนนั้นฟังป้าคนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้เล่าประวัติอะไรให้ฟังเพียงแค่ไปหยิบทูบมาแล้วก็พาเราเนี่ยไปจุดทูบไหว้ขอขมาตรงหน้าห้องนั้นนะคะซึ่งก่อนจะจบเรื่องนี้เนะะี่ยฮะจากเจ้าของกระทูก็บอกมันอาจจะดูเวอเกินจริงแต่มันคือเรื่องจริงสําหรับใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็ฟังเพื่อความบันเทิงก็พอไม่ต้องติไม่ต้องว่าถ้าเจอกับตัวเองเมื่อไหร่ คุณก็จะเข้าใจแหละนะคะขอบคุณที่เข้ามาอ่านนะเจอกันกระทูหน้าขอบคุณด้วยนะคะทีอ่อนุญาตให้นำเอาเรื่องราวเหล่านี้เนะะี่ยม า, าลงในช่องของพระเจอผีค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนียะคะเป็นเรื่องที่นำมาจาก theghost.com นะคะย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นคุณเอ๋อายุประมาณ17ปียังทำงานเป็นกู้ชีพในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ วันนั้นประมาณบ่ายมงกว่าค่ะก็ได้รับแจ้งนะคะว่ า, ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นห่างจากพื้นที่ที่คุณเออยู่ประมาณ 40-50 กิโลเมตรนะคะซึ่งก็ค่อนข้างไกลพอสมควรค่ะคุณเอกับเพื่อนกู้ชีพอีกคนหนึ่งก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จุ ด, จ ด, จดเกิดเหตุโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก็มาถึงที่เกิดเหตุค่ะ พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นคนมุงล้อมที่จุดเกิดเหตุแล้วก็พบกับเศษซากของรถนะคะกระจุยกระจายเต็มถนนโดยเบื้องต้นค่ะก็มีการตรวจสอบว่าเป็นรถกระบะแคป1คันสภาพเนี่ยคือขาดออกเป็น2ท่อนอีกคันนึงเป็นรถ10ล้อหน้ายาวค่ะซึ่งจอดอยู่ห่างออกไปพอสมควรคาดว่าน่าจะมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ชนกับรถกระบะ พอคุณเอกเข้าไปดูซากกระดก็พบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงหนึ่งรายสภาพศพนั้นคือกระดูกทั้งตัวนี่หักแทบจะหมดเลยค่ะแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูป ถูกอัดก๊อบปี้อยู่ในรถแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายแต่ว่าทางพลเมืองดีได้นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีที่อยู่บริเวณนั้นค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากสมาคมอื่นซึ่งอยู่ข้ามเขตกันได้นำศพผู้เสียชีวิตที่กระเด็นออกมานอกรถไปก่อนหน้านี้แล้วสภาพศพไม่ต่างกัน แต่ว่าไปคนละโรงพยาบาลกันกับเขตพื้นที่ของคุณเอ๋คุณเอ๋ก็เลยตัดสินใจโทรไปยังศูนย์กลางว่าจะเอายังไงดีระหว่างรอคํายืนยันจากศูนย์กลางคุณเอ๋ก็เลยนําศพของผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปไว้ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในเขตพื้นที่ของตัวเองก่อนค่ะพอคุณเอ๋เนี่ยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลก็เพิ่งมาทราบทีหลังนะคะว่าผู้บาดเจ็บสองรายที่พลเมืองดีนําส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลนี้ด้วย เป็นสองสามีภรรยาซึ่งภรรยาท้องแก่8เดือนแล้วนะคะทั้งคู่นอนอยู่บนเตียงคุณเอกก็เลยเดินเข้าไปคุยเพื่อสอบถามข้อมูลค่ะว่าพวกคุณเนี่ยใช่คนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าใช่คุณเอกก็ตอบอก็ถามมาว่ากี่คนเขาก็ตอบกันมาว่า5้าคนมีตัวผมแฟนผมพ่อแม่แล้วก็น้องสาวพอถามข้อมูลเสร็จคุณเอกก็ไม่ได้บอกนะคะว่าพ่อแม่แล้วก็น้องสาวเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้ว แต่ว่าคุณเอสังเกตดูว่ามันแปลกนะเพราะว่าสภาพรถในที่เกิดเหตุมันขาดสองท่อนและสองสามีภรรยานั่งอยู่กระดับะหลังแล้วกระเด็นตกลงมาจากรถแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยพบแค่รอยฟกช้ำดำเขียวนิดหน่อย แล้วคุณเอกก็เดินกลับมาที่โซนดําค่ะโซนดําก็คือจุดที่พักศพของโรงพยาบาลลักษณะจะเป็นห้องแคบๆใหญ่กว่าห้องน้านิดเดียวเป็นจุดแต่งศพหรือว่าจุดพิมพ์ลายนิ้วมือศพชั่วคราวพอหมอชนะสูตรศพแล้วก็ลงเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเอกก็ได้ทําการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็นําศพผู้เสียชีวิตเนี่ยส่งกลับบ้านที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าสามารถติดต่อญาติผู้เสียชีวิตได้แล้วนะคะ แต่ว่าตอนที่คุณเอ๋เดินเข้าไปในโซนดำนั้ น, น, นก็ได้เข้าไปมองดูศพของคุณป้าแล้วก็พูดออกมาแบบไม่ตั้งใจว่าสภาพเยินเลยนะป้าพูดเสียงดังลั่นห้องเลยนะคะแต่พอสิ้นคําพูดอยู่ๆก็มีลมพัดเย็นเข้ามาเลยพัดจนกระดาษที่ใช้ซับน้าเลือดน้ําหนองเนี่ยปลิวไปทั่วห้องแล้วก็ได้กลิ่นคาวเลือดฟุ้งทั่วห้องเลยกลิ่นมันแรงมากจนคุณเอรู้สึกคลื่นไส้ค่ะคุณเอ๋ก็เลยต้องวิ่งออกมาอาจเจียนอยู่ด้านนอกจนกระทั่งรถกู้ชีพขับถอยเข้ามาเพื่อจะรับศพ คุณเอก็นําเตียงเพื่อจะมาขนย้ายศพผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนั้นศพก็ถูกห่อด้วยผ้าสีขาวภายในผ้าสีขาวก็จะมีกระดาษไว้สับเลือดผู้เสียชีวิตคุณเอแล้วก็เพื่อนนะคะก็ยืนอยู่ตรงหัว1คนตรงท้าย1คนคือเตรียมที่จะยกศพขึ้นรถก็นับ 1- นสองแล้วก็ยกแต่ปรากฏว่ายกไม่ขึ้นค่ะเตียงมันติดขึ้นมากับศพด้วยคุณเอกับเพื่อนก็เลยมองหน้ากันแล้วก็บอกเอาใหม่เดืองแรงๆแรงๆเลยนะเพื่อนก็บอก กูออกแรงเต็มที่แล้วเนี่ยสงสัยตัวป้าแกจะหนักแล้วมัง้งทั้งคู่ก็เลยลองยกศพป้ากันอีกทีแต่ยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ออกค่ะดึงจนเตียงจะลม้มเหมือนกับว่าเป็นการเอากาวตาช้างมาทาไว้เต็มตัวแล้วก็ติดไว้กับเตียงแต่แล้วอยู่ๆค่ะกลิ่นข่าวเลือดก็ฟุ้งขึ้นมาทันทีทันใดกลิ่นเหม็นจนคุณเอ ก, กับเพื่อนเนี่ยต้องออกมาอยู่ข้างนอกห้องทั้งคู่ก็มองหน้ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนั้นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นแล้วก็คือเริ่มจะมืดแล้วนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่คุณเอก็เลยมานั่งทบทวนตัวเองว่าเอ๊พูดอะไรไม่ดีออกไปหรือเปล่าแล้วก็เล่าสิ่งที่พูดตอนเดินเข้าไปดูศพป้านี่ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เลยบอกว่ามึงน่ะปากหมามึงอะรีบเข้าไปขอขามาป้าเขาเลยนะแต่มึงเข้าไปคนเดียวนะกูจะร้องนอกอา้าวคุณเอก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปข้างในห้องคนเดียวค่ะแล้วก็เปิดประตูสไลด์ค้างไว้ แต่พอคุณเอเดินเข้าไปในห้องปุ๊บอยู่ๆประตูมันก็เลื่อนปิดเองคุณเอเนี่ยถึงกับสะดุ้งค่ะตอนนั้นเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวแต่ก็คิดเดินอาคิดนะคะเข้าข้างตัวเองว่าเออเพื่อนมันคงจะแกล้งประมาณนี้คุณเอก็เลยไปยืนอยู่ปลายเท้าของศพป้าแล้วก็พูดป้าผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจลบหลู่ดูหมิ่นอะไรป้าเลยป้าอย่าถือสาผมเลยนะผมจะได้รีบพาป้ากลับบ้านเดี๋ยวผมต้องไปรับน้องแล้วก็ลุงอีกคนนึง แต่ป้าเนี่ยไม่ได้ไปกับผมนะป้าจะไปกับพี่ผมส่วนผมจะไปรับน้องกับลุงตามไปทีหลังนะป้าป้าให้ความร่วมมือกับผมหน่อยนะพอคุณเอพูดจบคุณเอก็เดินออกไปเรียกเพื่อนมาช่วยกันยกอีกทีหนึง่งก็ยกมือไหว้ขอขามาอีกทีแล้วก็พูดว่าป้ากลับบ้านปรากฏว่าครั้งนี้ยกขึ้นอย่างง่ายดายค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นข่าวเลือดเหมือนตอนแรกก็พากันเข็นศพออกทางหลังโรงพยาบาลไปใส่รถกู้ชีพ แต่ว่ากลับต้องเจอกับเหตุการณ์สุดพีคอีกครั้งหนึ่งค่ะที่อยู่อท้องฟ้าที่โปร่งใสก็มืดครึม้มและฝนก็ตกลงมาทันทีแบบไม่มีปีมีกลุยพอคุณเอแล้วก็เพื่อนยกศพป้าขึ้นรถปิดฝาท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะกะ็บอกให้พี่กู้ชีพเนี่ยออกไปก่อนแต่พอสตาร์ทรถก็ปรากฏว่ารถเนี่ยสตาร์ทไม่ติดลองอยู่หลายครั้งยังไงก็สตาร์ทไม่ติดค่ะพี่เจ้าของรถกู้ชีพคันนั้นก็บอกกับคุณเอว่าสงสัยว่าต้องเอารถเราไปส่งแล้วนะรถพี่สตาร์ทไม่ติด คุณเอก็เลยบอกไปรถผมไม่ได้หรอกพี่ผมจะต้องไปรับอีกสองศพแน่พี่เขาบอกว่าถ้างั้นก็เอารถเราไปก่อนแล้วพอรถอีกคันหนึ่งของพี่มาค่อยเปลี่ยนถ่ายกันกลางทางคุณเอกก็เลยตกลงตามนั้นพอย้ายศพป้ามารถคุณเอกเรียบร้อยแต่พอคุณเอสตาร์ตรถตัวเองคุณผู้ฟังเชื่อไหมคุณเอกก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันค่ะมีพี่คนนึงก็เลยลองไปสตาร์ตรถตัวเองดูอีกครั้งอ้าวปรากฏว่ารถสตาร์ทติดซะงั้นทั้งทั้ที่ตอนแรกเนี่ย ทำยังไงมันก็ไม่ติดนะคะคุณเอ๋ก็เลยบอกกับพี่ที่เขาสตาร์ทรถเนี่ยบอกว่ารถพี่สตาร์ตติดแล้วเดี๋ยวพี่เอาศพป้าไปนะพี่เขาก็ติดเครื่องรถรอไว้แต่ว่วาจังหวะที่เอาศพป้าขึ้นรถกําลังจะออกตัวใส่เกียร์เหยียบคันเร่งรถกลับไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยค่ะตอนนั้นทุกคนรู้ละ ว, ว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติป้าเาขาคงไม่ยอมไปแ น, แน่สักพักหนึ่งพี่เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันเป็นอะไรของมันว่ารถกูดีๆนะรถกูก็รถใหม่ไม่ใช่รถเก่า แล้วคุณเอกก็พูดหรือว่าป้าก็ไม่อยากไปกับพี่วะพี่เขาก็เลยพูดมึงจะบ้าเหรอคนตายแล้วจะเอาอะไรมากมายพอสิ้นคำพูดแค่นั้นแหละค่ะทั้งฝนทั้งพายุกระหน่ามาแบบไม่มีเหตุผลเลยจนทุกคนต้องทิ้งรถแล้วก็วิ่งเข้าไปหลบในโรงพยาบาลคุณเอกก็พูดกับพี่เขาว่าหรือว่าป้าก็อยากจะไปรับลุงกับน้องด้วยวะคุณเอกก็เลยตัดสินใจ ย, ยกมือไหว้และพูดกับป้าว่าป้าถ้าป้าจะไปกับพวกผมก็ได้ครับ แต่ว่ามันมีเวลาน้อยแล้วเราอยู่ในเขตพื้นที่เขาหนทางมันค่อนข้างไกลและอันตรายป้าจะไปด้วยก็ได้แต่ป้าอย่าทําแบบนี้มันไม่ได้เป็นผลดีกับเราทั้งคู่เลยถ้าป้าจะไปเดี๋ยวผมจะพาไปแต่รถผมต้องใช้งานได้ปกตินะป้าไม่งั้นป้าก็ไม่ได้ไปและผมก็จะทิ้งป้าไว้ที่นี่แหละพอพูดจบเท่านั้นแหละค่ะฝนฟ้าที่กระหน่าลงมาก่อนหน้านี้คือหยุดทันทีแล้วคุณเอ๋ก็ลองสตาร์ทรถของตัวเองดูอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าสตาร์ทติดค่ะ แล้วก็ขับรถได้ปกติส่วนรถของพี่คันหนึ่งก็ขับได้ปกติเหมือนกันทั้งหมดก็เลยตกลงกันว่าจะขับขึ้นไปพร้อมกันทั้งสองคันนี่แหละระหว่างทางก็วิ่งไปเรื่อยๆสถานที่ปลายทางก็ที่จะไปรับศพเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ทองผาภูมิค่ะเป็นเขตของสมาคมกู้ภัยอีกแห่งหนึ่งกว่าจะมาถึงก็ปลาเข้าไปประมาณ3ามทุ่มไปถึงคุณเอ๋ก็เข้าไปติดต่อโรงพยาบาลว่ามีศพผู้เสียชีวิตคนนี้คนนี้ไหมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็บอกเอามีมีแต่เจ้าของท้องที่ ที่เป็นร้อยเวรเนี่ยเขากลับบ้านไปแล้วการที่จะนำศพออกไปได้จะต้องมีลายเซ็นของร้อยเวรเจ้าของคดีเท่านั้นและไม่มีลายเซ็นของร้อยเวรคงจะให้เอาศพของผู้เสียชีวิตไปไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายนะคะพวกคุณเเอกก็นั่งเครียดกันอยู่พักหนึ่งก็เลยขออนุญาตเข้าไปดูศพค่ะว่ามันใช่หรือเปล่า ศพก็เป็นศพของลุงอายุประมาณ45ปีแล้วก็เด็กสาวประมาณ 14-15 ปีคือสภาพศพยังไม่มีการตกแต่งเลยพอดูเสร็จแล้วก็พากันลงไปนั่งที่ล็อบบี้แล้วก็คิดกันว่าจะเอาอยัางไงดีต่อแล้วคุณเอกก็พูดขึ้นมาว่าถ้าลุงกับป้าเขาอยากกลับบ้านเดี๋ยวเขาก็ช่วยพวกเราเองแหละพอสิ้นคำพูดเท่านั้นนะคะยูยูค่ะก็ะะมีร้อยเวรเจ้าของคดีเนี่ยใส่ชุดลำลองขับรถมาที่โรงพยาบาลมีอ่าเล่าให้ทางทีมงานเนี่ยฟังนะคะ ทางทีมงานกู้ภัยเนี่ฟังบอกว่ามีคุณป้าเปตรกนเรียกอยู่หน้าบ้านบอกว่ามีญาติมารับศพที่โรงพยาบาลให้ไปเซ็นนําศพออกให้หน่อยเขาเอาศพออกไม่ได้ร้อยเวรก็ถามกลับไปว่าเอาแล้วตอนนี้ญาติเขาอยู่ไหนป้าเขาบอกว่าตอนนี้รออยู่ที่โรงพยาบาลรีบไปหน่อยเขาจะรีบนําศพกลับบ้านกันมันไกล ร้อยเวรก็บอกว่าอ่ะกันป้ารอผมแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วป้ามาอย่างไรเนี่ยแต่ป้าก็ไม่ตอบพอร้อยเวรเข้าไปแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะคะออกมาอีกทีเอาป้าหายไปแล้วซึ่งตอนนั้นก็ดึกแล้วก็มืดแล้วและป้าก็ยืนพูดอยู่นอกบ้านส่วนตำรวจนั้นยืนอยู่บนชั้น2ของบ้าน <c oughs> ก็เลยมองเห็นป้าหลางๆ <c oughs> เลยคิดว่าป้าคงจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปก่อนแล้วร้อยเวรก็เลยรีบตามมาที่โรงพยาบาลค่ะพอมาถึงโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็บอกกับร้อยเวนสวัสดีครับคุณตํารวจพอดีกู้ภัยเขาจะมารับศพคุณตํารวจก็เลยพูดสวนกลับไปอ๋อผมรู้แล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกอา้าวแล้วพี่รู้ได้ไงอะ่ะร้อยเวนบอกเอา้าก็มีป้าคนนึงไปตามเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลบอกป้าที่ไหนยังไม่มีใครไปตามร้อยเวนเลยคุณเอก็เลยถามไปว่าแล้วลักษณะป้าเป็นยังไงร้อยเวนก็เล่าให้ฟังว่าสูงเท่านี้ใส่ชุดนี้อายุเท่านี้เท่านั้นแหละค่ะคุณเอถึงกับต้องหันหน้าไปมองเพื่อนและพูด วใ่ล่ละแล้วก็จูงมือร้อยเวนไปดูศพป้าที่ท้ายรถคนนี้ใช่ไหมครับตอนนั้นเมื่อร้อยเวนเห็นศพป้าถึงกับหน้าถอดสีเลยนะคะหดเหลือดแค่2นิ้วเลยทีเดียวร้อยเวนบอกว่าผมไม่แน่ใจนะคุณเอ๋แกก็เลยแกะผ้าห่อศพให้ร้อยเวนดูร้อยเวนนี่เหงื่อเริ่มไหลค่ะได้แต่ยืนอึง้งแล้วก็พูดขึ้นว่าไหนละ่ะเอกสารรีบเซ็นแล้วก็จะได้รี บ, ร บ, ร บ, รบไปผมจะได้กลับบ้านไปนอนพอเซ็นเสร็จค่ะก็นําศพขึ้นรถ ปกติแล้วก็จะถือว่าห้ามนำศพคู่ขึ้นรถแต่ด้วยความที่ว่ารถมันมีสองคันแล้วก็มีศพอยู่สามศพยังไงก็ต้องมีคันหนึ่งนำศพไปสองศพคุณเอ๋ก็เลยเลือกให้ลุงกับป้านี่อยู่ด้วยกันแล้วก็นำไปขึ้นรถพี่แล้วก็นำน้องสาวขึ้นรถคุณเอ๋แล้วก็ขับรถมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดของป้าค่ะ พอไปถึงเวลาตอนนั้นก็ประมาณตีสามตีสีได้คุณเอรู้สึกว่าหลงทางละสองข้างทางนี่มีแต่ต้นมะพร้าวสูงเต็มไปหมดหาทางไปวัดไม่เจอขับไปสักพักแสงไฟของรถก็ส่องไปเห็นคนเดินอยู่ข้างทางเขาชี้บอกทางให้ว่าไปทางนี้ทางนั้นคุณเอก็ขับไปตามทางที่เขาบอกจนมาถึงวัดก็เห็นญาตินั่งตั้งวงกินเหล้ารอกันอยู่ 3-4 คนค่ะทางญาติก็จัดแจงให้พวกคุณเอ๋นี่นำศพไปวางไว้ที่ที่เตรียมไว้ พอวางศพเสร็จแล้วคุณเอกก็จะขอตัวลากลับก่อนแต่ว่าญาติของผู้ตายบอกอย่าเพิ่งกลบับคุณเอกก็เลยบอกว่าผมนำมาส่งเสร็จแล้วผมก็จะกลบับยังไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยญาติของผู้ตายก็เลยบอกเดี๋ยวหาข้าวหาปลามาให้กินแต่ช่วยอะไรอย่างหนึ่งก่อนช่วยแต่งศพให้หน่อยคุณเอกก็เลยอุทานขึ้นด้วยความอ่อนแรงบอกโอ้ยพี่ให้ผมแต่งศพเนี่ยนะผมมีหน้าที่เก็บศพพี่ผมไม่ได้มีหน้าที่แต่งศพญาติของผู้ตายก็พยายามอ้อนวอนให้คุณเอกแต่งศพให้ได้ช่วยหน่อยนะพ่หนุ่มที่นี่ไม่มีใครทําเป็นเลย คุณเอก็เลยต้องจำใจช่วยญาติเขานะคะแต่งศพค่ะเพื่อนคุณเอกับพี่ก็ออกไปนั่งกินเหล้ากับญาติผู้ตายที่อยู่ข้างนอกนะคะก็ปล่อยให้คุณเอได้ทำอยู่คนเดียวค่ะ ทางญาติก็ตักน้ําใส่กระแป้งเตรียมลิปสติกเตรียมชุดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาให้ด้วยความที่ไม่เคยทำเนาะก็เลยเริ่มตั้งแต่อาบน้บําศพอาบน้ําเสร็จก็ใช้ผ้าก๊อตพันแผลที่มันฉีขาดทําตามมีตามเกิดพอเสร็จเรียบร้อยก็เปลี่ยนชุดให้ศพเปลี่ยนให้ของลุงเสร็จก็ของน้องเสร็จแต่พอมาถึงป้าค่ะปรากฏว่าชุดที่เตรียมมาให้มันเป็นชุดไทยเป็นกระโปรงเป็นเสื้อผ้าไหมที่ตัดเข้ารูปพอดีพอดี คุณเอก็เลยพยายามใส่กระโปรงก่อนแต่ว่าใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวป้าก็ใหญ่เกินไปใส่เสื้อเสื้อก็เล็กเกินไปทีนี้ก็ไม่รู้จะทายังไงนั่งปาดเหงื่ออยู่คนเดียวเพื่อนแม่งก็นั่งกินเหล้าไม่คิดจะช่วยกูเลยคุณเอบอกนะะี่ะสักพักคุณเอก็หยิบทูบมาจุดแล้วก็พูดกับป้าบอกป้าผมพาป้ามาส่งที่บ้านแล้วนะและตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังแต่งศพให้ป้าอยู่ตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้กินข้าวเลยป้าช่วยให้ความร่วมมือผมหน่อยนะป้าผมหิวข้าว แล้วคุณเอก็ลองใส่เสื้อผ้าให้ป้าใหม่อา้าวคราวนี้ใส่ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะพอเสร็จหมดเรียบร้อยคุณเอก็ออกไปบอกญาติๆแล้วก็ขอตัวลากลับกันก่อนก่อนกลับคุณเอก็พูดกับป้าขำๆว่าป้าถ้าใจดีคืนนี้ก็ไปให้3ามตัวตรงนะผมจะได้ถูกหวยไปซื้อรถกู้ภัยคันใหม่กับเขาบ้าง จนกลับถึงบ้านเ่ยคุณเอกก็อาบน้ําอาบทาขึ้นไปนอนตามปกติขณะที่คุณเอกําลังนอนอยู่ในมุง้งกําลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ๆสายตาก็เหลือบเห็นคนเดินมาที่ปลายมุง้งแล้วก็เปิดมุ้งขึ้นเป็นน้องคนที่เสียชีวิตค่ะคุณเอตกใจแล้วก็ถามน้องเขาว่าเอา้าน้องมาได้ไงน้องเขาพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอา้าวก็พี่เรียกหนูมาไม่ใช่เหรอคะด้วยความกลัวคุณเอก็หลับตาปีแล้วก็พูดไปว่าพี่จะทําบุญไปให้ตอนเช้าพี่จะตักบาตรไปให้นะ พอลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึ่งคือน้องเขาก็หายไปแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณเอกก็รีบทําบุญตักบาตรให้น้องเขาค่ะแล้วก็เดินทางไปที่ศูนย์กู้ภยัยพอขึ้นไปดูที่กระบาดหลังรถก็ไปเจอเศษเสื้อของน้องเขาหนึ่งชิ้นตกอยู่และคุณเอกก็มาทราบภายหลังว่า3มคนนี้ลุงเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงส่วนน้องสาวก็คือลูกของป้า วันนั้นน้องสาวคนเล็กนั้นเรียนอยู่ในกรุงเทพพอกลับมาบ้านเขาก็อยากจะมาเที่ยวที่น้ำตกที่กาญจนบุรีก็เลยชวนพ่อแม่พี่สาวและพี่เขยมาเที่ยว แต่ว่าแม่ของเขาบอกติดธุระไปเที่ยวด้วยไม่ได้หรอกน้องสาวบอกว่าเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วนะพาหนูไปเที่ยวหน่อยไม่ได้หรอเรามาเราจะไม่ได้มาด้วยกันอีกแล้วนะพอญาติได้ยินก็เลยบอกเดี๋ยวตบปากฉีกเลยและแม่น้องเขาก็ยอมมาเที่ยวด้วยแล้วก็วันที่เกิดอุบัติเหตุค่ะลุงกับป้าแล้วก็น้องสาวทั้ง3าคนนั่งอยู่ด้านหน้ารถส่วนพี่สาวและพี่เขยนั่งอยู่หลังกระบะ แต่ความตายเอาไปแค่3คนหน้าเท่านั้นและนี่คือเหตุการณ์ที่คุณเอจําฝังใจจนถึงทุกวันนี้และสรุปแล้วหวยก็ไปออกที่ทะเบียนรถคันที่รับศพน้องเขาไปแต่คุณเอดันไปซื้ออายุน้องเขานะคะก็เลยชั่วฉลูขานถาะมะโรงมะเสงกันไปอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะหมดเวลาของคลิปนี้แล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับ B ด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ